วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมกำลังของศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปความรู้ที่จะใช้ดับความทุกข์ทางใจนี้ ต้องเป็นความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ที่ไม่สามารถนำไปดับความทุกข์ใจได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ระดับไหนก็ตามความรู้ระดับสูงสุดของทางโลกเช่นความรู้ในระดับปริญญาเอกไม่ว่าจะเป็นวิชาแขนงใดก็ตาม จะไม่สามารถนำม า, มาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของตนความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญาซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสามขั้นตอนด้วยกันความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้คือ พระพุทธเจ้าก็ดีหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเองหรือความรู้คำสั่งคำสอนจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่จะนำมามาใช้ในการดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้ ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยาปัญญา ส, สุตตะก็แปลว่าพระสูตรเองพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมในแต่ละครั้งเราก็จะตั้งชื่อว่าเป็นพระสูตรนั้นพระสูตรนี้กันเช่นธรรมจักรกัปปวั ต, น, ต, ลล ต, น, ตนาสูตรมงคอลสูตรอนาตลักกนสูตร อันนี้เป็นชื่อของธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโปรดผู้ที่สนใจในการดับทุกข์ในแต่ละครั้งนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าสุตมะยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้านี่เอง ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้านี้จะจากพวกเราไปแล้วเป็นเวลาต้อง 2,500 กว่าปีแต่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่เพราะมีการศึกษามีการจดจำและมีการบันทึกเอาไว้ในพระคำมพี์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกเวลาที่เราศึกษาพระสูตรต่างๆจากพระไตรปิฎก ก็เท่ากับการได้ศึกษาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรง mm hmm. เพราะคําสอนนี้ออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าและได้รับการกันกรองได้รับการตรวจสอบจากพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าสาเดือน <c oughs> หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงจากพโลกนี้ไปก็มีบรรดาพระอาหารหันตสาวกห้าร้อรูปด้วยกัน ที่ได้เคยศึกษาได้ยินได้ฟังพระธธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาดังนั้นท่านเหล่านี้ท่านจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรไว้บ้างเพราะว่าท่านได้ศึกษาและได้น้อม นำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัตินี้เท่ากับการเป็นการพิสูจน์ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ใช้ดับความทุกข์ได้จริงหรือไม่เมื่อได้นําเอาไปปฏิบัติก็ได้สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ก็ทําให้ไม่ไม่สงสัยและไม่ลืมคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้น เวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็อาศัยพระอนันต์ัสสาวกต่างๆนี้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าลงมาเป็นยุคเป็นสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ mm hmm. เวลาที่เราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกหรือเวลาที่พระท่านนำเอาพระไตรปิฎก เอาพระสูตรบางพระสูตรจากพระไตรปิฎกมาอ่านมาแสดงธรรมเทศนาก็เหมือนกับว่าเราได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเหมือนพระพุทธเจ้านี้ประทับอยู่ข้างหน้าพวกเราแล้วพวกเราก็นั่งฟังไปถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเสียงของพระพุทธเจ้าแต่คาสอนความรู้ที่มากับคาสอนนี้ เป็นของพระพุทธเจ้าน้วนๆเลยอันนี้เป็นขั้นแรกของการเจริญปัญญาคือถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรสิ่งที่เราต้องรู้นั้นเราต้องรู้อะไรบ้างนนเพื่อที่ทําจะให้ทําให้เราเกิดปัญญาเพื่อที่เราจะได้นำเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี้ไปดับความทุกข์เวลาที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราน ขั้นแรกเราต้องเรียนก่อนเรียนว่เรียนจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวุของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ความรู้คือธรรมะที่จะใช้ในการดับทุกข์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สองในพระพุทธศาสนาเรียกว่าจินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคร่าครวนพิจารณา mm hmm. เวลาที่มีนักปฏิบัติเขาปฏิบัติกัน mm hmm. เวลาเขาได้สมาธิแล้ว mm hmm. เขาก็จะไปสู่ขั้นพิจารณาธรรมกัน mm hmm. การพิจารณาธรรมนี้เพื่อทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ mm hmm. เวลาที่เราฟังจากการแสดงธรรม เราอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าเราเอามาทบทวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลำดับและเป้าหมายสำคัญของการพิจารณาธรรมนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เราหลงลืมกันเพราะสิ่งใดที่เราได้ยินได้ฟังมา และเราไม่เอามาต่อยอดไม่เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะลบเลือนหายไปจากใจของเราได้เพราะใจของเรานี้ในแต่ละวันนี้จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในใจของเราและเรื่องราวใหม่ๆมันก็จะไปกรบเรื่องราวเก่าๆให้มันออกไปจากความทรงจําของลวกเรา ดังนั้นนะถ้าเราไม่ต้องการให้ธรรมะที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้ <c oughs> ไม่เลือนลางหายไปจากความทรงจําเราก็ต้องเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยพ <c oughs> อเราพิจารณาอยู่เรื่อยแล้วเราก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมเช่นยกตัวอย่าง ธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรานี้พยายามสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆคือเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานี่แหละเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนแต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเรานี้จะไม่ค่อยรู้จักเรื่องราวของร่างกายของเรากันสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไปให้ความสําคัญ หรือไปให้ความสนใจกับเรื่องราวอย่างหนุนแทงกันตั้งแต่เกิดมานี้ไม่ค่อยมีใครมาสอนให้เรามาเรียนรู้เรื่องร่างกายของเราเลยมีแต่ให้เราไปเรียนรู้วิชาต่างๆเรียนในโรงเรียนก็มีวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นวิชาทางโลกล้วน เป็นวิชาที่ไม่สามารถนํเอามากําจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราได้เลยพวกเราก็เลยมีแต่ความทุกข์มาตลอดตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้เกิดมาแล้วในแต่ละครั้งที่เราร้องห่มร้องไห้นั้นมันก็เป็นเครื่องแสดงบอกแล้วว่าเรามีความทุกข์ใจนนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ มาเรียนรู้เรื่องที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องทุกข์ใจกันนั่นเองเรื่องที่เราไม่ต้องทุกข์ใจที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็เรื่องคือเรื่องร่างกายของเรานี้ที่เรามีมาตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้แต่เรากลับไม่รู้เรื่องร่างกายของเราเลยหรือถ้ารู้ก็รู้แบบผิวเผินรู้แบบไม่ลึกพอที่จะเอาไปใช้ ในการดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจได้แต่ถ้าเรามาศึกษาเรื่องของร่างกายเราแล้วก็พยายามทำการบ้านคือพิจารณาอยู่เนื่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นความรู้ที่ไม่ไม่เลือดรางหายออกไปจากความทรงจำของเราเพราะว่าเราต้องมีปัญญา ใช้ในเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้เลือนลางหายไปเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเอาปัญญานั้นมาดับความทุกข์ทางใจได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำขั้นที่หนึ่งก็คือท ำ, ทำให้เรา ม, มีปัญญามาดับความทุกข์ ปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ของเราก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานี่เองสิ่งที่เราต้องรู้ก็มีอยู่สามอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายของพวกเราสิ่งที่หนึ่งก็คือร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงคำว่า <het> ไม่เที่ยงก็คือมันไม่เป็นของถาวรมันไม่ได้เป็นของที่ เป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปพตลอดเวลาร่างกายของเรานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่ออกมาจากท้องแม่เลยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันร่างกายก็เปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ดีๆไงต้นไม้ที่เราตอนต้นปลูกเราก็เอาไปต้นเล็กๆไป ลงนลงไว้ในดินแล้วเราก็คอยรดน้ําทวนดินไปเรื่อยๆดูแลต้องน้ม้ไปต้นไม้ก็จะมีลักษณะเจริญเติบโตขึ้นมาตามลําดับนร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ที่มันไม่ได้เป็นทารกตลอดเวลาไม่เหมือนตุกตต๊กตาตุ๊กตานี่เราได้มามันก็เป็นตุ๊กตาอย่างนั้นมันไม่มีการเจริญเติบโต เหมือนกับร่างกายบางทีเราตอนที่เราได้ตุก๊กตามาเราก็ตัวเท่ากับตัวตุก๊กตาแต่พอไม่นานตัวเราร่างกายของเราก็ใหญ่กว่าตัวตุก๊กตาเนี่ยนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้มันไม่เทียมมันมีการเปลี่ยนแปลงคือมันมีการเกิดแล้วมันก็มีการเจริญเติบโต แล้วก็เมื่อมันจเจริญเติบโตถึงจุดสูงสุดของของมันแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงมันก็จะเริ่มแก่ลงแล้ว ม, ม, มีความชราภาพาความแก่ตามมาแล้วเมื่อมีความแก่ก็มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาแล้วในที่สุดเมื่อโรคภัยไข้เจ็บนี้รักษาไม่หาย โรคไข้ไข้เจ็บก็ทำให้ร่างกายนี้ถึงแก่ความตายได้นี่คืออ น, นิจจังเป็นธรรมชาติของร่างกายของพวกเราทุกคนที่พวกเราอาจจะรู้กันแต่รู้แบบผิวเผินรู้แบบไม่ลึกพอที่จะนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ได้ เรายังมีความทุกข์กับร่างกายอยู่เพราะเรายังทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและทุกข์กับความตายของร่างกายนั่นเองถึงแม้เราจะมีปัญญาแต่ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาเพราะว่าถ้าเป็นปัญญาจริงแล้วถ้ารู้จริงๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราจะต้องไม่กลัวจะต้องไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาขึ้นมาได้ <c oughs> แล้วเราจะทำยังไงให้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเรื่อยเรามักจะได้ยินเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเรามาอยู่เรื่อยเรื่อย <c oughs> สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ เราต้องเอามาคิดอยู่บ่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราฟังเทศฟังธรรมกันฟังเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วพอเราไปทำอะไรอย่างอื่นเราก็ลืมมันไปเราก็ไม่คิดถึงมันนี้ต่อไปเราก็ไปทำอะไรตามความอยากความความต้องการของเรา เหมือนกับว่าเราจะอยู่กันไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันนี่แหละคือการได้ยินได้ฟังเพียงครั้งเดียวนี้ไม่ไม่เป็นปัญญาที่จะนํำมาไปหยุดการสร้างความทุกข์ให้กับใจหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าเราต้องการที่จะให้ปัญญา ขั้นที่หนึ่งคือสุต่ไมยะปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาให้ใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้เราต้องเอามาคิดอยู่บ่อยๆคิดวันละหลายรอบด้วยกันพระพุทธเจ้าเคยถามพระอ น, นุ์พระผู้อุปถา พ, พระองค์ว่าอา น, นุ์วันหนึ่งเธอพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายวันละทักกี่ครั้งกัน อาโนนก็ตอบว่าก็พิจารณาอยู่สามสี่ครั้งด้วยกันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอานน์เธอยังพิจารณาน้อยไปเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เธอต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเลยพยายามคิดบ่อยๆคิดให้มากๆจนมันจดจํามันฝังอยู่ในใจของเราตลอดเวลา ทุกครั้งที่เรามองเห็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีความคิดคือปัญญานี้จะต้องผุดขึ้นมาทันทีว่าร่างกายทุกร่างนี้จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายไม่วันใดวันหนึ่งบางทีก็เจ็บก่อนแก่ก็มีบางทีก็แก่ก่อนแล้วค่อยเจ็บเจ็บแล้วก็ค่อยตายไป ทำทีตายก่อนแก่ก่อนเจ็บก็มีมีการการเกิดขึ้นของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เกิดได้ในหลายลักษณะด้วยกันนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาพิ จ, จารณาเพื่อที่เราจะได้รู้จักการปล่อยวางนั่นเองเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราไปรักไปชอบไปยึดไปติดเนี่ย ว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปเขาจเขาจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางไว้ก่อนเวลาที่เกิดการพัพรากจากกันเราจะทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจของเหล่านี้เกิดจากความไปมีความยึดติดกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของคนอื่นก็ดีถ้าเราไปยึดติดเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปยึดติดเราจะไม่ทุกข์สังเกตดูร่างกายของคนที่เราไม่ยึดติดนี้เขาจะแก่จะเจ็บจะตายนี้เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเช่นตอนนี้เราคงจะได้ยินข่าวถึงเรื่องแผ่นดินถล่มแผ่นดินไว้ ในต่างประเทศมีคนตายเป็นหมื่นแต่เราก็จะไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับเขาเราไม่รู้จักเขาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายหรือจะเป็นอะไรนี้เราไม่ทุกข์เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีภรรยาพาลูกมากรา มาเล่าให้ฟังว่าเพิ่งสูญเสียสามีไปเกิดความทุกข์ใจถึงแม้ว่าจะทำพิธีเผาศพ เ, เรียบร้อยแล้วเอาไปลอยอังคารอะไรแล้วก็ตามแต่ความทุกข์ใจก็ยังติดค้างอยู่ในใจอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าไปยึดไปติดกับร่างกายของสามีของตนทั้งๆ ท, ที่สามีก็ตายไปแล้ว แต่ใจยังไม่ปล่อยอันนี้คือความทุกข์พระพุทธเจ้าจบอกร่างกายของเราไม่เที่ยงเราจะต้องทุกข์กับความไม่เที่ยงของร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายและข้อที่สามก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้ เช็นไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายของพ่อของแม่ไม่มีไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ในร่างกายของสามีของภรรยา <Okay. S 2> ผู้ที่มาเป็นสามีเป็นภรรยา uh huh. โดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ uh huh. ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกาย uh huh. คือใจหรือวิญญาณที่มา ครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ไม่ได้เป็นร่างกายแล้วก็เวลาร่างกายเป็นอะไรผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมนี้หรือผู้ที่สแสดงธรรมอยู่นี้ก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่อย่างใด นี่คือความจริงข้อที่สามคือเป็นอนัตตาน่างกายเป็นอนัตตาน่างกายไม่มีตัวตนปราศจากตัวตนร่างกายเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือธรรมะหรือความรู้ทางด้านทางธรรมที่เรียกว่าเป็นปัญญามาดับความทุกข์ เพราะว่าร่างกายนี้เราจะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนใจผู้มาครอบครองนี้จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ว่ารู้ความเป็นจริงของร่างกายนี้หรือไม่ทั้งเองถ้ารู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กัมันแต่ถ้ารู้ถ้ารู้แต่ยังยึดยังติดอยู่ ถึงเ ว, เวลาร่างกายแก่เจ็บตายหรือเพียงแต่เวลาคิดถึงมันก็ยังทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่ได้แล้วจะทำยังไงถ้าเรายังทุกอยู่ทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่เรารู้อยู่ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่ปัญญาระดับที่สามนั่นเอง ปัญญาระดับที่หนึ่งระดับที่สองนี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เราต้องสร้างปัญญาระดับที่สมขึ้นมาวิธีสร้างปัญญาระดับที่สก็คือเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้กับใจของเราให้ได้ทําใจของเราให้สงบ ทำใจเราให้นิ่งให้สักแต่วรู้ให้ได้เพราะถ้าใจเรานิ่งสักแต่วรู้ได้ใจเราจะปล่อยวางได้เราใจเราจะปล่อยวางความยึดติดต่างๆได้ถ้าเราใจเรายังไม่ว่างยังไม่สงบยังไม่นิ่งยังไม่ปล่อยวางถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญา รู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ทุกครั้งที่เราคิดถึงมันหรือเวลาที่เราเจอมันนี่ใจของเรายังจะต้องทุกข์อยู่ดังนั้นเราต้องมาเจริญปัญญาขั้นที่สามคือเจริญสมาธินี่เองถ้าเรามีสมาธิแล้วปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี่ก็จะมารวม กลายเป็นปัญญาขั้นที่สามขึ้นมาเรียกว่าภาวนามยะปัญญา <Yes. S 1> ถ้าเป็นภาวนามยปัญญาเกิด mm. มีความรู้ที่ไม่หลงไม่ลืมรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกับกันทุกคน mm. ไม่มีใครหนีพ้น ร่างกายของทุกคนนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ผู้ที่พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>ผู้ที่พิจารณาผู้ที่ใช้ร่างกายนี้คือใจที่ตอนมาได้ร่างกายตอนนั้นเราเรียกว่าดวงวิญญาณพอมาได้ร่างกายมาเชื่อมต่อกับร่างกายเราก็เรียกดวงวิญญาณนี้ว่าเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิด เป็นผู้กำลังมาเรียนรู้เรื่องราวของร่างกายนี้ให้เราเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่มาครอบครองร่างกายด้วยการเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อผ่านกระแสการรับรู้ที่เราเรียกว่าวิญญาณในขันห้ามีอยู่ห้าหวิญญาณด้วยกันวิญญาณทั้ง วิญญาณที่มาเชื่อมต่อทางตาเขาเรียกว่าวิญญาณจักขุวิญญา ณ, าญญาณทางหูก็โสตะวิญญาณมีชื่อแต่ละชื่อวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวลาที่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสก็จะ มารับรู้ที่ใจได้ใจก็จะมารับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ได้สัมผัสกับรูปได้สัมผัสกับเสียงได้สัมผัสกับลิ้นสัมผัสกับกลิ่นกับรสกับ ส, สิ่งที่มาสัมผัสที่เรียกว่าผลัพะใจไม่ได้เป็นผู้สัมผัสผู้สัมผัสคือตาหูจมูก น, นิ้งกาย ใจเป็นเพียงผู้รับรู้ผู้เสบรูปเสียงกลิ่นนนที่เข้ามาทางสายของการรับรู้คือวิญญาณวิญญาณทั้งห้านี้<ม>ก็เข้ามาสู่ใจแล้วใจก็เกิดเวทนาคือเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาจากการได้เส ส, สรู้เสียงกลิ่นลดโผฏฐพัชชนิดต่างๆถ้าเป็นที่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมา ถ้าไม่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดทุกเขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นแบบเฉยๆกลางๆไม่สุขไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูก อ, อกถูกใจแต่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความรู้สึกเกลียดชังหรือไม่พอใจใจก็จะรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้หลังหลังจากนั้นใจก็จะมีความคิดว่าคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้ซึ่งถ้ามีกิเลส เวลาสัมผัสล้ำรู้กับสิ่งที่ชอบก็อยากจะได้ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาคือไม่อยากได้อันนี้พอเกิดภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ในใจไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายร่างกายไม่ได้ทุกข์ไปกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ ร่างกายไปสัมผัสมาแต่ใจผู้ที่มารับรู้รูปเสียงกิ่งลดนี้เป็นผู้ทุกข์เช่นเดียวกับเวลาที่ใจไปสัมผัส ร, รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายว่ามันแก่มันเจ็บมันตายพอสัมผัสรับรูบร้เช่นมองหน้าเราในกระจกเริ่มเห็นสิวฟ้าเริ่มเห็นผมหมอกผมอะไรเห็นเห็นหนังเหี่ยวย่นรอยริ้วอะไรต่าง ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะใจมีกิเลสคือมีวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คืออยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายสวยเราเรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้ร่างกายยังหนุ่มยังสาวอยู่อยากให้ร่างกายไม่แก่ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาพะเกิดตัณหาใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา กกับความแก่ของร่างกายเช่นเดียวกับเวลาเป็นสัมผัส ร, รับรู้ว่าร่างกายตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องการความเจ็บไี่เกิดวิภาวะตัณหาขึ้มาเช่นเดียวกับเวลาที่รู้ว่าจะต้องตายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายนี่ นี่สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนว่าปัญญาต้องพิจารณาให้แลวดูว่าเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เป็นเรื่องที่ใจไปห้ามได้หรือไม่ไปห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ได้หรือไม่ไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ไปห้ามไม่ให้หร่ า, มมางกายไม่ตายได้หรือไม่เมื่อพิจารณามองความจริงก็เห็นว่า ทำไม่ได้ต่อให้อยากยังไงก็ห้ามไม่ได้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างไรก็ห้ามไม่ได้แล้วไปอยากทำไมเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจทุกข์ในอริยสัจสี่ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้ใจทุกข์ แต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวก่อนใจของเราทุกไปกับร่างกายเพราะเราไปมีความติดพันมีความยึดติดกับร่างกายไปลักร่างกายอันนี้ไปพึ่งร่างกายอันนี้เพราะเราต้องมีร่างกายใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัสะนี้เองใจของเรามี กามาตัญหามีความอยากเสพการเป็นพื้นเป็นพื้นเพย่อยู่ในใจตลอดเวลาตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทาให้ใจนี้ต้องไปคอยหาร่างกายอยู่เรื่อยๆเวลาร่างกายอันนี้ตายไปใจที่ไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะคอยรอหาดูว่าที่ไหนมีการสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมา เมื่อมีร่างกายอันใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นจังหวะที่สามารถไปครอบครองได้ก็จะไปครอบครองทันทีอันนี้แหละคือปัญหาของใจของพวกเราทุกคนโ่อจากหนึ่งกามาันหาความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจาเป็นจะต้องมีร่างกาย แต่พอเรามีร่างกายก็ไปเจอร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ไปเกิดมีภาวะตันหาวิภาวะตันหาขึ้นมา mm hmm. ก็คืออยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย mm hmm. อันนี้เรียกว่าภาวะทันหาหรือวิภาวะตัหา mm hmm. พอเกิดตันห้านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั mm ่นเองอันนี้ถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ อ, อย่างนี้ mm hmm. เราจะได้รู้ว่า วิธีที่จะทําใจของเราไม่ให้ทุกข์กับร่างกายได้อย่างไรก็ต้องหยุดกามาตัญหาหยุดภาวะทันหาหยุดวิภาวะทันหานั่นเองและการที่จะหยุดมันได้ก็ต้องทําใจให้นิ่งสงบให้ใจเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะช่วงที่ใจเป็นสมาธินี้ใจจะไม่มีกามาตัญหาภาวะทันหาและวิภาวะทันหาใจจะมีอุเบกขา สักแต่ว่ารู้วางเฉยได้นี่แหละคือปัญญาขั้นที่สามต้องอาศัยการฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะปล่อยวางได้ถึงแม้ว่าจะสงบเพียงชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิกฐานแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้ว พอใจจะเริ่มไปยึดไปติดกับร่างกายเราก็เอาปัญญานี้มาระงับมันได้ปัญญาที่เราได้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายของเรานี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีทางเลือกหล<ม>ีไม่พ้นหลบไม่ได้หลีกไม่ได้มีทางเดียวที่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คืออย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ซึ่งถ้าเรามีสมาธิออกมาจากสมาธิแล้วเราจะมีกำลังทำใจให้เฉยๆได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายได้โดยที่ไม่สะทกสะทานเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>เราเป็นใจผู้มาเชื่อมต่อกับร่างกายเท<ม>่านั้นเองเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนี้ไม่สามารถมาทาร้ายใจได้ ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ถ้าเราสามารถฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งได้ให้วางเฉยได้แล้วเราก็มีปัญญาตลอดเวลาอยู่ในใจของเราว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่หลงไม่ลืมทุกครั้งที่มองเห็นร่างกายของเรานี้ต้องเห็นความแก่ความเจ็บความตาย ตลอดเวลาทั้งของคนอื่นด้วยของเราก็เห็นว่ามันไม่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของคนอื่นเราก็ต้องเห็นว่าเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเรามีใจที่วางเฉยได้จากการปฏิบัติสมาธิเวลาเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของใครนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับการรับรู้เรื่องของธรรมชาติ เช่นดินฟ้าอากาศ mm hmm. เวลามีฝนตกแดดออกมีน้ำท่วมมีอากาศหนาวมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปหักข้ามมันได้แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ mm hmm. เราอยู่กับมันได้ mm hmm. ถ้าเราถ้าร่างกายเราถูกกระทบจากดินฟ้าอากาศหรือจากเหตุการณ์ mm hmm. เช่นแผ่นดินถล่มอนี้แผ่นดินไหว ร่างกายมันจะเจ็บจะตายเราก็รับรู้ไปตามความเป็นจริงร่างกายของคนอื่นที่ถูกดินถล่มก็เหมือนกันเราก็รับรู้ไปเฉยๆอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราขาดความเมตตาหรือกรุณา์เพียงแต่ว่ามันเป็นการมองตามหลักของความเป็นจริงความเมตตาการุณาก็มีอยู่ถ้าใครเดือดร้อนเราช่วยเหลือได้เราก็ไปช่วยกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นการช่วยแบบช่วยระยะสั้นๆช่วยยังไงมันก็หนีไม่พ้นความตายอยู่ดีช่วยให้พ้นจากความตายวันนี้เดี๋ยววันข้างหน้ามันก็ต้องตายอยู่ดีแต่โดยโดยคุณสมบัติของความเมตตาการุณานี้มันก็จะทำให้เรานี้ไม่อยู่เฉยๆกันถ้าเราช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแต่ถ้าช่วยเหลือไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีอุเบกขา เราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของสุดวิสัยเรื่องสุดวิสัยที่เราทำอะไรไม่ได้ <S <S เราทำเต็มที่แล้วเต็มกำลังของเราเต็มความสามารถของเราแล้วแล้วยังช่วยไม่ได้มันก็ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของเขตสุดวิสัยไปเหมือนเราไปช่วยคนที่ตายไปอยากเพแผ่นดินไหวนี้ไม่ได้ <S <S เราก็ทำใจกันไป ไม่ทุกไปกับการเป็นไปของเขาเพราะเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเหมือนกันในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเรามีปัญญาระดับที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญา<ม>คือมีปัญญามีความรู้ที่มาจากจินตามัยปัญญาคือความรู้ที่เราใค่ควรพิจารณาจนไม่หลงไม่ลืม ไม่ลืมแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครนี้เราจะเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนั้นทุกร่างกายไปเลย mm hmm. จกนกระทั่งทำให้เราไม่รู้สึกตื่นตระหนก mm hmm. ไม่เหมือนกับคนที่ไม่พิจารณาถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเวลาใครแก่เวลาใครเจ็บใครตายทุกคนนี่กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยหนังสือพิมพ์พาดหน้าหนึ่งเลย คนนั้นคนนี้คนสําคัญของประเทศตายไปไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปกลายเป็นข่าวข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมานทันทีนั่นก็พอนเป็นเพราะว่าคนที่เสพข่าวนี้ไม่เคยได้มีคิดถึงความแก่วความเจ็บความตายเลย <c oughs> คิดว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปตลอดไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอเกิดมีข่าวขึ้นมาเท่านั้น ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยแต่สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้หมั่นเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> จนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของกายของคนสําคัญ VIP หรือไม่ VIP ก็เป็นเหมือนกันหมดขอทานก็ต้องแก่จะเจ็บตายมาหาเศรษฐี ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นแปลกประหลาดมาที่ไหนเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่ถ้าเราไม่หมั่นพิจารณาเจริญจินตาไมยะปัญญาอยู่เรื่อยๆเราจะลืมไปถึงแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ฟังแล้วเราก็ไม่ไปคิดถึงมันอีก แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องการหาเงินหาทองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจนกระทั่งลืมความแก่ความเจ็บความตายไปพอมีข่าวของใครสักคนหรือของเราเองถ้าเป็นของเราเองยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งทุกข์ใหญ่เลยวันดีคืนดีเกิดเจ็บท้องขึ้นมาไปหาหมอหมอสองกล้องวิเคราะห์ดูอ้ามีเนื้องอกอยู่ในลาไส้น่าจะเป็นมะเร็ง ตอนนี้แหะดูซิว่าใจเป็นยังไงถ้าคนที่หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆนี้อาจจะทุกข์เหมือนกันแต่ยังอาจจะไม่ทุกข์มากเพราะรู้ว่ามันจะต้องเกิดแต่ยังทําใจไม่ได้เพราะยังไม่ได้ไปฝึกสมาธิเท่านั้นเองถ้าได้ไปฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งทําใจให้เฉยได้พอไปเจอข้อสอบเจอว่ามีมะเร็งในลําไส้อย่างเนี้ย ใจก็จะเฉยๆไม่ทุกข์ประมาณแต่ก็ไม่ได้ปล่อยวางถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปหรือจะไม่รักษาก็ไม่ไม่ไม่ผิดตรงไหนจะรักษาก็ไม่ผิดไม่รักษาก็ไม่ผิดแล้วแต่ใจผู้เป็นเจ้าของร่างกายว่าจะชั่งน้ําหนักดูระหว่างการรักษาละหว่างความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาแต่ความทุกข์ที่จะเกิดจากโรคภัยอันไหนมันหนักกว่ากัน บางทีความทุกข์จากการรักษามันอาจจะหนักกว่าความทุกข์ที่เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ได้บางทีเขาก็เลือกทางทางเลือกว่าไม่รักษาดีกว่าทุกน้อยกว่าผลก็ได้เท่ากันคือตายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ของผู้ที่แต่ละคนที่จะมีปัญญาในระดับไหนเท่านั้นเองก็จะเป็นผู้ที่จะเลือกทางของตนเองได้อ่า น, นี่คือ ถึงแม้จะรู้ได้ยินได้ฟังจากสูตรธรรมะปัญญาว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าไม่นำอาไปคิดเดี๋ยวมันก็ลืมพอลืมแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคภัยขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์โกลาหลขึ้นมากันแต่ถ้าเอามาคิดอยู่เรื่อย ความทุกข์มันจะน้อยลงแต่ยังมันไม่หมดถ้าเพราะเรายังทําใจไม่ได้เรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะใจเรายังยึดยังติดอยู่ถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายของเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ตามแต่จะไม่ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่เคยคิดเลยคนที่ลืมคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาไปเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมานี้จะทุกข์มากทุกข์มากกว่าคนที่คอยคิดอยู่เรื่อย แต่คนที่คิดอยู่เรื่อยๆก็ยังทุกข์อยู่เพราะว่ายังทําใจไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าไปฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ทําใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดถ้าจิตเวลาสงบนิ่งจิตปล่อยวางการทําสมาธิก็คือการสอนจิตวิธีปล่อยวางดีๆนี่เอง ถ้าการปล่อยวางของจิตให้ปล่อยอย่างไรปล่อยด้วยการไม่เป็นนึกคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้านึกคิดก็ให้นึกคิดไปทางความเป็นจริง น, นึกคิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นไปไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองและเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็ง ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแล้วก็ทำใจได้แล้วเฉยๆได้แล้วอันนี้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายได้ถ้าไม่ทุกข์กับความเป็นความตายความแก่ความเจ็บได้ก็ถือว่ามีปัญญาระดับขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาเมายปัญญาคือใจมีความสงบวางเฉยได้สักแต่ว่ารู้ได้รู้ว่าร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าเราไปควบคุมไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ mm hmm. เช่นแผ่นดินไหวนี่ไม่มีใครต้องการให้มันเกิดแต่ไม่มีใครไปหยุดมันได้เวลาที่มันจะเกิดขึ้นมา mm hmm. เช่นเดียวกับร่างกายไม่มีใครอยากให้มันแก่มันเจ็บ ม, มันตายแต่ถึงเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ใจที่มาครอบครองมาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จะไม่ทุกข์กับมันถ้าปล่อยวางเป็นถ้าวางใจให้เป็นอุเบกขาทาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาสอนใจให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปอยากเพราะอยากเราจะทําให้เราทุกข์ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไปห้ามความไม่เปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ แต่ถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์ใจจะอยู่กับร่างกายเป็นจนถึงวาระสุดท้ายได้เหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหมือนกับร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเลยสาหรับใจที่มีปัญญาขั้นที่สามคือมีภาวนาไมายปัญญามีความรู้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกายว่าจะต้องแก่เจ็บตายตลอดเวลา ไม่มีเวลาไหนลืมเลยเห็นร่างกายทีลายนี้มันจะจำได้ทันทีว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็มีสมาธิปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ถ้ามีสมาธิเวลาเข้าสมาธินี้ใจจะปล่อยวางทุกอย่างใจจะนิ่งเฉยๆวิธีปล่อยวางของใจก็คือนิ่งท่านั้นเองเฉยๆไปท่านั้นเองไม่ต้องไปยินดียิน้ายกับอะไร เพราะของต่างๆนี้มันเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาอันนี้แหละคือการที่เราจะใช้ปัญญาดับความทุกข์ได้นี้เราต้องเข้าให้ถึงปัญญาระดับที่สามให้ได้ระดับที่หนึ่งนี่ง่ายเช่นมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี้ก็เท่ากับมาเรียนรู้เรื่องของความทุกข์ความทุกข์มีหลายระดับยังนอกจากร่างกายแล้วยังมีความทุกข์เรื่องของจิตใจ แล้วความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอีกแต่วันนี้เพียงแต่ยกกรณีเรื่องของร่างกายมาเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าเราต้องไปศึกษาจากผู้รู้ว่าเราควรจะรู้อะไรสิ่งที่เราควรรู้ก็คือเรื่องของร่างกายของเรานี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วต้องเอามาทำการบ้านไม่ใช่ให้รู้เฉยๆให้รู้แบบไม่ลืม วิชาทางโลกไม่มีใครสอนเรื่องนี้เลยโรงเรียนระดับไหนก็ตามมหาวิทยาลัยระดับไหนก็ตามแต่เรื่องของร่างกายนี้ไม่เอามาสอนกันเลยไม่ให้มาสอนว่าเราต้องมาเรียนรู้นะว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เขาไม่เอามาสอนเลยมีแต่ทางธรรมนี่นะที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจแล้วก็ เป็นเรื่องที่ทำถ้ารู้เรื่องนี้แล้วก็จะรู้จักวิธีทำให้ไม่ทุกข์ใจได้ก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันเรื่องของร่างกายถ้าเราไม่รู้ส่วนใหญ่ถ้าเราไปเรียนที่ไหนไม่เขาไม่มีใครเขาสอนเรื่องความแก่ความเจ็บความตายกันสอนก็น้อยมากสอนอาจจะเป็นสอนแบบผ่านๆไปแต่ทางศาสนานี้สอนแบบเอาจริงเอาจัง เราต้องให้รู้รู้แบบจดจำไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเลยต้องรู้แบบนั้นแล้วพอรู้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ก็รู้ว่ า, าแสดงว่าใจเรายังปล่อยวางไม่ได้ใจเรายังทุกข์ใจเรายังยึดยังติดอยู่ยังอยากอยู่ยังอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเรายังทุกข์อยู่แสดงว่าความรู้ของเรานี้ยังไม่พอเพียงเพราะใจเรายังไม่ปล่อยวาง เราก็ต้องมาฝึกวิธีปล่อยวางของใจวิธีที่จะทำให้ใจปล่อยวางก็คือวิธีการเข้าสมาธินั่นเองและการจะเข้าสมาธิได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือที่จะทำใจให้สงบนิ่งก็คือสติถ้าไม่มีสติถ้าให้นั่งสมาธิไป<ม>เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้นั่งได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะไม่มีวันสงบได้ เพราะว่าขาดสติเพราะว่าการจะทำให้ใจนิ่งสงบไม่ให้คิดนี้ต้องมีสติและต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่มามาเริ่มฝึกสติตอนที่นั่งมันไม่พอถ้าไม่เคยฝึกสติเลยแล้วพอมานั่งนี้นั่งได้ไม่เกินห้านาทีก็ฟุ้งละหรือไม่ถึงห้านาทีบางทีนั่งเฉยๆเพียงนาทีสองนาทีก็นั่งไม่ได้นะ่ะอดที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องที่ทำอยู่ตลอดทั้งวันมาแล้วนั่นเองดังนั้นผู้ที่จะต้องการฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งให้ปล่อยวางให้ได้นี้เบื้องต้นต้องมันฝึกสติให้มากๆก่อนต้องมันพยายามอย่าอย่าปล่อยให้ใจคิดเลืเ่อยเปื่อยให้คิดได้ในบางเรื่องเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดแต่เรื่องที่ไม่ต้องเป็นจะต้องคิดอย่าให้คิดดีกว่าอย่าไปคิดถึงอดีตที่พึ่งะที่ผ่านมาแล้ว หรือไปคิดถึงอนาคตตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาฝึกความคิดเป็นเวลาที่หยุดความคิดนี่อันนี้ไม่ได้ห้ามนะว่าเรื่องของความคิดก็คิดได้แต่ไม่ใช่เป็นเวลาที่เรามาฝึกสติกันเวลาฝึกสตินี้เราไม่ต้องการให้คิดแต่ถ้าเวลาเราผ่านขั้นสติได้สมาธิแล้วเราก็ไปคิดทางด้านปัญญาได้แต่เป็นคนนะขั้นตอนกันขั้นตอนแรกนี้ที่สิ่งที่เราต้องการก็คือ ฝึกจิตให้หยุดคิดเมื่อจิตหยุดคิดเวลานั่งสมาธิจิตก็จะได้เข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้จิตก็จะปล่อยวางได้พอจิตปล่อยวางได้ปล่อยวางเป็นแล้วทีนี้ถ้าออกมาก็ให้มาคิดได้แล้วทีนี้คิดแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายคิดแต่เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำนมไฟอันนี้คิดได้คิดเพื่อสอนให้ใจไม่ให้ไปอยาก มาให้ไปยึดไปติดกับร่างกายนั่นเองแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิถ้าเป็นช่วงที่เรามาฝึกสมาธิเราต้องช่วงที่ฝึกสมาธินี้เป้าหมายก็คือให้หยุดคิดต้องแยกแยะต้องเข้าใจนะมันมีเป็นต่างกรรมต่างวาระกันถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราต้องศึกษาต้องใช้ความคิดจะคิดไปแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ต้องการจะสร้างสมาธิสร้างความสงบ สร้างการปล่อยวางของจิตนี้ตอนนั้นเราต้องฝึกการหยุดคิดการหยุดคิดนี่สำคัญถ้าไม่หยุดคิดนั่งสมาธิจิตจะไม่นิ่งไม่สงบเมื่อไม่นิ่งไม่สงบจิตก็จะไม่ปล่อยวางจิตก็จะยึดจะติดเหมือนเดิมยนันเราต้องฝึกสติเพื่อหยุดความคิดและเวลานั่งสมาธิจิตจะได้นิ่งได้สงบได้ปล่อยวางเป็น พอเราปล่อยวางเป็นแล้วทีนี้เราก็มาขั้นปัญญาต่อได้ม า, มาทดสอบความจริงเลยอยากจะรู้ว่าเรายังทุกข์กับความความเจ็บไข้ได้ความแก่หรือเปล่าดูหน้าตาเราเมื่อก่อนนี้เราชอบย้อมผมย้อมอะไรัวความแก่ชอบไปให้หมอฉีดตรงนั้นดึงตรงนี้ต่อไปนี้ก็ปล่อยให้มันแก่ไปดูีิเราจะทุกข์กับมันหถ้าเราปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์ เราไม่ต้องมาเสริมความงามของร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไปหรือถ้าเราเจ็บเราอยู่กับความเจ็บได้ไหมปล่อยให้มันเจ็บไปเช่นสมมุติว่าเราอยากจะทดสอบว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ปวด่วยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดความเจ็บปวดทั่วสพางร่างกายนั่นเองแล้วก็มาลองนั่งสมาธินั่นานดูนั่งแล้วเวลาร่างกายมันเจ็บตรงไหนเราก็อยา่าไปลุกมัน ให้เราไปคิดว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราดูซิว่าเราจะวางเฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ความเจ็บของร่างกายได้หรือไม่ถ้าเราเฉยกับความเจ็บของร่างกายได้ต่อไปเวลาร่างกายเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเราก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้จักวิธีที่จะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วเราก็ไปฝึกดูว่าเรายังเราปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้มันตายได้หรือไม่วิธีที่เราจะไปทดสอบก็ต้องไปหาที่มันมีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเช่นไปอยู่ในที่อันตรายเช่นในป่าในเขาที่มีสิงสารสัตว์หรือในสถานที่ที่เรากลัวเช่นในป่าช้าอย่างนี้เป็นต้นเราต้องไปทดสอบใจของเราดูว่าเราปล่อยวางร่างกายได้ไหมเพราะาอย่างมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายก็คือความตายนั่นเอง ถ้าไปเจอสิงสาราศัตร์ก็อาจจะถูกสิงสาราศัตว์กัดตายถ้าไปเจอพูดผีปีศาจอ่ะถ้าเราเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจพูดผีปีศาจมันทําได้อย่างมากก็ทําให้น่างกายตายทั้งนี้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์เรื่องของความตายว่าเราจะกลัวความตายหรือไม่เราก็ต้องไปหาที่มันสิ่งต่อความเป็นความตายดูแล้วพอเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราคิดว่าอาจจะทําให้เราตายขึ้นมา ก็ดูซิว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์กับความตายเลยจะอยู่ไปอย่างสบายไปจนถึงวันตายแล้วไม่มีความวิตกกวาดกลัวกับเหตุการณ์นั mm ้น hmm. เหตุการณ์น mm hmm. ี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย mm hmm. ตอนนี้อาจจะบางคนอาจจะคิดจะเกิดต่อไปบ้านเราเป็นแผ่นดินถลมม่มบ้างจะเป็นยังไงอย่บางทีมันไม่เกิดใจคิดไปแล้วกลัวกันไปแล้วทุกข์กันไปแล้ว mm hmm. แต่ถ้าได้พิสูจน์จากการปฏิบัติว่า ร่างกายยังไงมันก็ต้องตายอยู่ที่ปลอดภัยขนาดไหนมันก็ต้องตายถ้าถึงเวลามันจะตายเราไปทุกข์กับมันหรือเปล่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าเราไปทำข้อสอบมาแล้วเรารู้เราปล่อยได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายอีกต่อไปนี่นี่คือขั้นที่3มของปัญญาที่จะต้องอาศัยการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกสติเพื่อหยุดคิด เวลานั่งใจจะได้ไม่คิดอะไรเมื่อไม่คิดอะไรใจจะได้นิ่งได้สงบได้ปล่อยวางได้พอใจปล่อยวางเป็นแล้ว อ, อ๋อรู้วิธีปล่อยวางแล้วเวลาเจออะไรก็เฉยๆไปนนั้ไม่ต้องคิดอะไรหรือคิดปรงไปอ่ะเกิดมาแล้วต้องตายถึงเวลายาต้องตายก็ตายไปห้ามมันตายไม่ได้ก็คิดแบบนี้เท่านั้นเองพอคิดแบบนี้ได้แล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะเย็นใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับการพลาดภาคจากคนนั้นคนนี้ไปคนนั้นจะคนนั้นจะตายไปก็ไม่ทุกคนนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกดูแลกันได้ก็ดูแลกันไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ไม่มีความวุ่นวายใจไปกับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายของใครก็ตามของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีถ้าเราได้มีการ เรียนรู้ทางปัญญาขั้นต้นคือสุตมะยปัญญาเรียนรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเมื่อไปยึดว่าเป็นของเราเราก็จะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่มีความอยาก ไม่ไม่กล้าอยากคุณยังไงเพราะรู้ว่าถ้าอยากเราจะทำให้ใจทุกข์ถ้าไม่กล้าอยาก<ม>คือปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์<ม><ม>ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่เป็นก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้สักแต่วรู้ขึ้นมาให้ได้<ม><ม>ถ้าทาได้แล้วทีนี้ก็ไปทดสอบดู ไปเจอความแก่ความเจ็บความตายดูว่าใจยังสั่นสะเทือนอยู่ทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วมีปัญญาแล้วคือรู้ว่าอยากไม่ได้อยากครบอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้เพราะเป็นสมุทยัยเป็นอริยสัจข้อที่สองที่จะสร้างอริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมาถ้าไม่อยากให้อริยสัจข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ใจเกิดขึ้นมา ก็ต้องละสมุทยัยต้องละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาควบคู่กันไปคือภาวนามยะปัญญานี่เอถ้าเรามีภาวนามยะปัญญาเราก็จะสามารถใช้นี้ใช้ปัญญาแบบนี้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นอกจากปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ปล่อยวางความ ความสวยความงามของร่างกายได้เพราะปัญญาจะสอนให้เห็นว่าร่างกายแท้จริงไม่สวยไม่งามาก็จะปล่อยวางจะไม่มีความรักมีความยินดีรักใครกับร่างกายของใครแล้วก็จะปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะมันก็เป็นเหมือนร่างกายมันก็ไม่เทียมัมนก็เป็นอนัตตาไปยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ต่อไปก็จะใช้ภาวนามายปัญญานี้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอหมดสิ้นไปแล้วใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกได้บรรลุ ถ, ถึงกันคือพระนิพพานใจที่ปราศจากความทุกข์ใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาใจที่ไม่ต้องมีการไปเกิดอีกต่อไปเพราะความอยากในกามในใน การเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ได้ถูกกําจัดไปด้วยภาวนามยัปัญญาแล้วใจก็สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด ดต่ดถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอยู่นั่นเองแต่สำหรับผู้ที่ได้เจริญภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี้แล้วจะไม่มีวันที่จะต้องไปทุกข์กับอะไรต่อไปเพราะจะละความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดไม่มีการที่จะต้องมาทุกข์กับอะไรต่อไป น, นี้คือเรื่องของปัญญาทางาศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริภูเรนติสาคลังเอวเมีวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกัรปฏิ เหตังปัตติตังตุมหังคิพภเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันทูปะนาวโสยธามะนิโชติ ราโสยถาสพิติโยวิวาชนตุสัพโรโควินาศตุมาเตผวตวันตาาโยสุขิติขายุโกภวะอภิวัฒนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวัฏฐ t นติอายุวันโสุขัง อ, อช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดแนะเหมาะที่สุดเพราะหลังจากเลิกกันแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบและคุยด้วยอยากจะคุยอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าจะถามเองก็เข้ามา ขอไมโครโฟนไปพูดได้ถ้าไม่ต้องการจะเขียนส่งข้อความใส่ในกระดาษส่งมาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะณาขุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ482ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 265 YouTube Dr V Channel 133วิทยุออนไลน์6 c l ับเ o า s e 9นาขุด181รวมทั้งหมด 1,076 ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจัดทางหน้ากุฏนะะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการระลึกถึงความตายบ่อยๆจะทำให้เชื้อกิเลสน้อยลงหรือเปล่าคะแน่นอนเพราะถ้าเราไม่ลืมความตายเราก็รู้ว่าสิ่งต่งางๆที่เราโลภอยากได้มานี้มันตายไปก็เอาอไปไม่ได้เราก็จะลดละความโลภลงได้จะทำให้เราได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น ถ้าเรายังไม่คิดถึงความตายยังลืมความตายอยู่เราก็จะคิดว่าเห็นอะไรเราชอบเราก็อยากจะได้อยากจะมีเราก็จะเสียเวลากับการไปหาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยคำถามถัดไปจากคุณชมชนกค่ะ รบกวนสอบถามเจ้าค่ะทั้งที่โยมสวดมนต์ฟังบรรยายฟังบรรยายธรรมและทำบุญบ่อยแต่จเจริญจิตภาวานาน้อยสังเกตตัวเองเมื่อมีเรื่องไม่ไม่สบอารมณ์โยมจะกโกรธทันทีแต่โยมก็รู้ว่าโกรธแล้วจะพูดกับตัวเองว่าโกรธทำไมทำไมต้องโกรธจากนั้นอารมณ์โกรธจะเริ่มจางลงเจ้าคะ่ะก็สู้ไปปฏิบัติด้วยไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วจะไม่โกรธจะเฉยๆได้ ตอนนี้เรายังไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความโกรธได้แต่อย่างน้อยเรามีกําลังพอที่จะป้องกันไม่ให้มันลามาไปยาวนานได้ทางที่ดีถ้ามีเวลาควรจะหัดฝึกปฏิบัติบ้างไม่ยากหรอกอยู่ที่บ้านก็ทําได้ช่วงแรกๆช่วงที่เราก่อนนอนหรือหลังจากตืน่นตื่นขึ้นมาก็ฝึกนั่งสมาธิกันดู ช, ช่วงเวลาที่เราไม่ต้องแต่งเกี่ยวข้องกับใครก็ฝึกสติคอยควบคุมความคิด ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราก็จะมีกำลังมากขึ้นที่จะละหยุดความโกรธความโลภความอยากต่างๆได้มากขึ้นใจเราจะเย็นมากขึ้นและจะมีความสุขมากขึ้นคำถามสุุจรัญญาคำถามข้อแรก วันนี้โยมพิจารณาร่างกายเห็นลมหายใจเข้ามีความเย็นลมหายใจออกมีความร้อนเอามือจับแขนได้รับความรู้สึกนิ่มลึกๆแข็งโยมพิจารณาอาการ32ว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างน้ำมีอะไรบ้างโยมเลยเห็นร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟโยมทำความเข้าใจไปอย่างนี้เรื่อยๆได้ไหมคะคือเห็นร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นช่วงที่นั่งสมาธิหรือเปล่าออยัา ง, ยางไม่ได้รอง ไม่ได้บอกค่ะน่าจะไม่ได้นั่งนะคะเพราะว่าเอามือจับแขนด้วยค่ะถ้ายังไม่ได้นั่งก็ก็พิจารณาได้แต่เวลานั่งก็ควรที่จะให้เพ่งดูอาการได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้คิดนะจะดูลมก็ได้อย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุทโธก็พุทโธอย่างเดียว ถ้าดูอาการของร่างกายอาการใดเช่นโครงกระดูกก็ดูอาการเดียวเพ่งอยู่ที่อาการเดียวไปต้องการให้ใจนิ่งอย่าให้ใจเคลื่อนไหวการเปลี่ยนภาพทก่เปลี่ยนอะไรต่างๆมันทำให้ใจยังเคลื่อนไหวอยู่ท้ให้มันอยู่นิ่งกับ อ, อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันถึงจะเข้าสู่สมาธินิ่งเป็นอุเบกขาได้ <C oughs> คำถามถัดไป ยมพิจารณาไม่ทันข่าวว่าเวลาเห็นผู้ชายที่โยมเผลอว่าเขาหลอมาตั้งสติทีหลังว่าอยากหอมแก้มเขาเหรอก็ตอบไปว่าไม่หอมถ้าไม่ทําความสะอาดร่างกายเขาใบหน้าเขาก็เหม็นเหงื่อเหมือนเราแต่มันไม่ทันขลวงพ่อก็ต้องซ้อมบ่อยๆไงอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรายังสู้เขาไม่ได้อยู่นั้นวิธีสู้เขาได้ก็พยายามคิดถึงอสุภะ คิดถึงความไม่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายคิดถึงเหงื่อใครน้ำเหงื่อที่ไหลออกมาตามทวารตา่างๆคิดถึงกลิ่นเหม็นเวลาที่ร่างกายไม่ได้อาบน้ำอาบท่าอะไรทํานองนี้ค่ะคําคถามถัดไปจากคุณจิราราัตน ช่วงท้ายของการนั่งสมาธิจิตเริ่มถอดถอนและเริ่มคิดการนําลมหายใจมาพิจรารณาให้เกิดปัญญาและเข้าใจไตรลักษณ์โดยได้ลึกถึงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายถือว่าเป็นการเจริญปัญญาไหมคะแลระดับจินตามายะปัญญาก็ซ้อมไปสอนไปว่านั่งกายนี้เมื่อหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแล้วต้องต้องหยุดทั้งวันหนึ่งฉั้นต้องหัดเตรียมตัวเตรียมใจ ยอมรับก <ons cción S 2> ับความตายให้ได้ค่ะคำถามถัดไปจากคุณสัพเพธมมาอนัตตาจะมีหลายคำถามนะคะพระเจ้าคำถามแรกกามราคะหายไปบางส่วนไม่มารบกรวนไม่มาปรากฏตัวมีเหลือซ่อนอยู่จะเล่นงานตอนเผลอเวลาหลับ นานๆครั้งจึงจะมาให้เจ็บใจโปรดอธิบายกรารที่ซ่อนอยู่ไม่แสดงตัวแต่อ่อนกำลังลงมากแต่ฆ่าไม่ได้ก็<ะ> <c oughs> มันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีก็มาแรงบางทีก็มาคอ <c oughs> ่อยขึ้นอยู่กับว่ามันได้สัมผัส บ, บ่อยไม่บ่อยถ้าได้สัมผัส บ, บ่อยมันกม็มาไม่แรงแต่ถ้านานๆทักทีนึน่งก็มันก็จะมาแรง อย่างไงเราก็ต้องพยายามพิจารณาอสุภาพไว้ต่อยคอยรับมันให้ทันเวลามันมาก็ให้เราพิจารณาเห็น อ, อสุภาพของร่างกายส่วนมันจะมาไม่มานี้มันเราไปบังคับมันไม่ได้นอกจากเราจะทดสอบมันก็เราก็ปรุมแต่งให้มันมาก็ได้คิดถึงภาพสวยๆกำงานดูคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาดูแลดูซิว่าพอมันมาแล้วเราจะหยุดมันได้หรือเปล่า <c oughs> ค่ะคำถามข้อที่สองพิจารณาตัวเองเป็นศพหรือแต่กระดูกแล้วหลับไปการมาาค้าที่เคยปรากฏเฉพาะตอนหลับจะไม่มีอีกเลยหามไม่เจอเมื่อค้นหาด้วยสื่อเสพกรารเห็นจิตเคลื่อนใช้สติปัญญาดับซึ่งได้ผลแต่ไม่แรงไม่ขาดขอคำสอนค่ะก็ทำต่อไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วกิเลสมันก็จะเบาลงเบาลงถามก่อนถามต่อกัน รกราบนมาสการเจ้าค่ะกรณีที่สมาธิแล้วก็สติของหนูยังไม่ดีค่ะจะรับมือกับการกระทบในชีวติตประจำวันได้อย่างไรคะที่เป็นการกระทบสดๆก็ใ<เ>ช<ท kicking>้คาบริกรรมพุทโธเลยถ้าเริ่มรู้สึกใจเราไม่ปกติก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่มากระทบแล้วมันก็จะหายไปชั่วคราวคือ อพอเราเริ่มโกรธปั๊ใครก็ด่าเราพุทธโกรธพุทธโตพุทธโตพุทธโตไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เขาพูดยิงคิดยิ่งโกรธใหญ่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องตอบต้ไม่ต้องอธิบายนะหยุดก่อนหยุดความโกรธของเราก่อนแล้วเมื่อหายโกรธแล้วมีมีโอกาสที่จะคุยกันได้ก็คุยกันแบบแบบด้วยเหตุด้วยผลไปถ้าต้องคุยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เขาจะพูดอะไรเราห้ามเขาไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือคอยรักษาใจเราไม่ให้ไปโกรธเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าฉุกเฉินเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นไกาใจอ่ะมันมันเยอะมากเลยวันวันหนึ่งที่มากระทบเราหลายๆอย่างเลยนะคะก็นั่นแหละก็บางทีก็ต้องไปฝึกปีกวิเวกอยู่ห่างแตกรูปเสียงกิเรสบ้างเพื่อจะได้สร้างสติให้มีกําลังมากขึ้น แล้วเวลาออกมาเจอกับสิ่งต่างๆมันก็พอที่จะมีกาลังที่จะรับกับมันได้ค่ะถ้าไม่มีปีกไม่เวกเลยมันก็ยากเพราะบ่อยครั้งที่ไม่ทัน<ช>มันไม่ทันนะคะต้องไปฝึกสติให้มากขึ้นต้องไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงขีดลดมา ก, กระทบใหงไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติไม่เข้าไปอยู่เข้าโกเอง 9-10 วันอะไรอย่างนี้ มันจะช่วยได้มาก oh, <okay. S 1> เทายุว่าพุทธเขาก็มีจัด <Okay. S 1> การปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่มีหลักสูตรของการปฏิบัติแล้วที่พระอาจารย์คือที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้สักแต่ว่าเนี่ยเราเราเราแบบเป็นนกแก้่นกขนทองเนี่ยหมายว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ตรเราจิตเราเป็นอวเบเอะค้างวางเฉยได้สัก แ, แ, แ, แต่ว่าก็คือเฉ ย, ย, ยใครจะลาอะไรก็เฉยเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราพุโทโธมิทนัน แต่เรานึกสักแต่ว่าขึ้นมาได้เราก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเองอันนั้นโดยจะสักแต่ว่าจริงนามที่เราว่าหรือเปล่าอาจจะยังไม่ใคยได้ค่ะจะใช้แทนคําพุดโถก็ได้สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่รู้สักแต่รู้สักแต่ดาสักแต่ดาอ๋อค่ะก็จะใช้ทั้งสองอันสลับกันก็ได้ค่ะเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปดีเขาไม่ตีเราก็ไม่ข่าเราอ๋อค่ะอะไรที่เรานึกขึ้นมาได้เราก็ต้องแบบหยุดมันเลยจะอะไรก็ได้ที่จะทําให้เราหยุดโกรธได้ค่ะ อุบายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้สูตรสามยอมรู้จากยอมมยอมหยุดเย็นยอมแพ้ยอมแพ้หยุดต่อสู้แล้วก็ใจก็จะเย็นออกค่ะแล้วมียอที่สี่คือยิ้มขอบคุณค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะ การมีเป้าหมายทำลายเฉพาะการชาหญิงในสินข้ออพรรมจรรย์โดยไม่ได้สนใจเรื่องรูปรูสกลิ่นเสียงใจคิดว่าหากค้นทุกทั้งหมดไม่ได้ก็ไม่มาเกิดในการมาพบไม่มาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกก็พอใจอันนี้ถูกต้องไหมคะก็อย่างถ้ายังต้องเกิดมาเกิดไม่ช้าก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ดี <c oughs> ไปเกิดเป็นพรอมเป็นเทพมันพอมันหมดกําลังมันก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ค่ะ คำถามบางคำถามพระอาจารย์ตอบตั้งแต่คำถามแรกแล้วนะคะหนูขอข้ามไปคำถามที่หกนะคะ จิที่ดิ่งอูบลงจนร่างกายหายไปหมดเหลือแต่รู้ใช่อรูปฌานหรือไม่จิตควรยึดสิ่งใดป้องกันการเห็นอย่างไรแต่ถ้ามีกําลังแค่รูปฌานสี่จะพ้นทุกหรือไม่เพราะจะไ ม, เะะไม่เพราะจะไม่ถึงการละอรูปราคาค่ะเขาให้อธิบายเขาไม่เข้าใจค่ ะ, ะ, ไจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรอกเขาให้ปฏิบัติไปปล่อยจิตรวมนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้ปล่อยวางได้ก็พอ อย่าไปสนใจแล้วก็ไปบางทีมันไปคาดกันเองแล้วไปิจัไปพิจารณาผิดแล้วมันก็จะเสียเวลาเปล่าเปล่าเป้าหมายขอให้เราเจอตัวจริงนี่ะอย่าไปหาชื่อมันเลยตัวจริงที่เราต้องการก็คือความนิ่งสงบปล่อยวางจากแต่ว่ารู้เป็นอุบเบกขาจะเป็นรูปประชานหรือรูปประชานก็ไม่สำคัญเลยสำคัญขอให้เราเฉยได้ ออกจากสมาธิมาใครด่าเราก็เฉยได้แค่นี้พอใช้ยอมหยุดเย็นได้ก็ใช้ได้นีอีกคำถามหนึ่งนะคะหากกำจัดกรมราคะได้หมดเครื่องมือที่จะใช้ต่อไปมีเพียงพระอริยสัจสี่เพื่อแก้ปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตจนหมดทุกปัญหาใช่หรือไม่ใช่หมดทุกปัญหาส่วนที่เหลือในจิตก็เ น, นเป็นตายรักเหมือนกัน แล้วก็ยังมีภาวะทันหากับสิ่งที่เหลืออยู่ก็ต้องตัดภาวะทันหะวิภาวะตันหาให้หมดไปรานไม่มีการวาทันหะแล้วพอมันพ้นเรื่องร่างกายไปแล้วมันก็เหลือแต่ภาวะทันหาวิภาวะทันหาคือสภาพของใจสุขบ้างทุกบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันก็เป็นตายรักณ์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับกันไม่ได้ ่อยให้มันไปแล้วอยู่กับมันได้อยู่แบบเฉยๆไนดะ้แล้วความคุกก็กจะหมดไปความอยากก็จะหมดไปคำถามถัดไปจากคุณห น, อนูอ่านจากคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะชั้นอ่านชื่อไม่ออก กับเรียนถามค่ะการหยุดคิดกับการรู้เท่าทันความคิดหรือรู้ว่ากําลังคิดอะไรอย่างใดเป็นสิ่งที่ควรทําต้องหยุดคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดคิดไม่ได้ถึงแม้จะรู้ทันมันก็ไม่หยุดรู้ว่าไม่ดีคิดแบบนี้ไม่ดีมันก็ยังจะคิดมันยังดื้อได้แต่ถ้าเราหยุดมันได้มันก็มันก็ดื้อกับเราไม่ได้แล้วพอหว่อให้มันหยุดคิดมันก็จะหยุดคิดทันทีเั็นต้องหัดหยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดแล้วทีนี้พอรู้มันว่าคิดอะไรเราก็หยุดมันได้ แต่ได้ยังหยุดคิดไม่ได้ด้วยว่ามันคิดไม่ดีแต่ก็ยังหยุดไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามถัดไปจากทาง y o u t u ู e นะคะนั่งสมาธิง่วงนอนทำอย่างไรครับนอนสิอ <c oughs> <c oughs> ้า่้ก็เดินจงกรมแทนถ้าไม่อยากจะนอนก็เดินรุกขึ้นมาเดินจงกรม ถ้าอยากจะปฏิบัติสมาธิต่อก็ต้องลุกขึ้นมาเดินถ้านั่งแล้วมันหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนแต่ถ้าเดินก็หลับนั่งก็หลับก็นอนอกู่พักคนหลับบางทีร่างกายมันเหนื่อยมันก็ต้องพักบ้างเมื่อมันถึงเวลาต้องให้มันพักให้มันพักแต่ให้มันพักพอประมาณอย่าไปพักมากจนไปพอมันตื่นขึ้นมาก็เรียบขึ้นมาทาต่อค่ะคถามถัดไปจากคุณนักรบกองทัพธรรมค่ะ กราบนมัสการท่านพระอาจารย์<ม>กระผมขอเรียนถามธรรมะมีวัดแห่งหนึ่งสอนให้คนอยู่กับความว่างคือไม่ต้องคิดอะไรแค่ทําใจให้ว่างๆก็จะเห็นธรรมะกระผมเลยสงสัยว่าถูกต้องหรือผิดถูกต้องหรือไม่ครับถ้หยุดคิดยังไงถ้าหยุดคิดใจก็ว่าทําไม่หยุดคิดใจมันก็ไม่ว่างใจมันก็มีมีโลกกดหลงเกิดขึ้นพอหยุดคิดลรคกดหลงก็หายไปเหลอแต่ความว่าง คำถามถัดไปจากทางยู u b e ค่ะเวลาถวายอาหารพระอาหารอร่อยหรือมีหรือประนิสวยงามเช่นนี้จะทำให้พระติดในกา ร, รมาคุณห้าหรือไม่แล้วเราจะมีบุญมีบาปยังไงคะไม่อไม่ติดหรอกพระบางรูปท่านไม่ติดอยู่แล้วเราจะถวายอาหารประนีหรื อ, อยังไงท่านก็กินได้ทุก อ, อย่างไม่ต้องกังวลกังวลเราดีกว่า คือบางทีเราคิดว่าถวายของปานี่แล้วมันแพงเสียเงินมากก็อยากจะถวายของแบบไม่ปานนี่อย่างนี้มันก็เป็นกิเลสความตะนีของเราโดยไปอ้างว่าจะไปทําให้พระติดนู่นติดนี่ขึ้นมาโดยหลักการให้ท่านสอนว่าให้อย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นกลับมาให้ของดีเราก็ได้ของดีกลับมาให้ของไม่ดีเราก็ได้ของไม่ดีกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาทําบุญไม่ต้องกังวลเรื่องคู่รับนะว่าเขาจะติดแล้วไม่ติด ถ้าเป็นของที่ที่เขาใช้บริโภคได้เป็นสำนักงาบริโภคคือเป็นปัจจัยสี่อย่างปาณีชก็ได้ไม่ปาณีชก็ได้เพราะแต่ละคนนี้มีความคิดไม่เหมือนกันคนให้บางคนเขาเห็นว่าเขาเคยกินแต่ของปาณีชเขาก็อยากจะให้คนอื่นได้กินของปาณีชไม่ใช่เลือกที่นักว่าสําหรับตัวกูกินของปาณีชของคนอื่นไปกินผักบุ้งอย่างเดียวผักต้มอย่างเดียวนี้มันก็เป็นการเป็นเรื่องของกิเลสไปจะมากกว่า ส่วนใหญ่คนที่เขาให้เขามักจะให้สิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดเพราะเขาก็ยังมีความปรารถนาผลตอบแทนจากการให้ของเขาอยู่เขาเชื่อว่าทำทำอะไรก็จะได้อย่า ง, ง น, นั้นกลับมาเห็นถ้เขาอยากจะได้ของประนีของดีเขาก็จะพยายามถวายของประนีของดี ถ้าก็ไม่ต้องการเขาก็ถวายของไม่ปานีชกันได้อันนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรที่พูดนี้ก็เพียงแต่ที่บายให้ฟังว่าระวังกิเลสมันจะหลอกเราทัาง้งหนึ่งกิเลสคือความตันหนีของเราเวลาซื้อของให้เรานี้ต้องของดีของแบรนด์เนมใช่ไหมเวลาไปซื้อของให้คนอื่นนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของกิเลสคนที่ไม่มีกิเลสนี่ส่วนใหญ่ ซื้อของตัวนี้จะซื้อของของไม่มีแบรนด์เองแต่ซื้อให้คนอื่นนี้ซื้อของแบรนด์เองเพราะอยากให้เขามีความสุขแต่ตัวเขาเองเขาเขาใช้ของไม่มีแบรนด์เองเขาก็แฮปปี้เขาก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ของแบรนด์เองแต่เวลาให้คนอื่นเขารู้ว่าถ้าไปซื้อของไม่ใช่แบรนด์เองเขาไม่แฮปปี้เราอยากให้เขาแฮปปี้เราก็ต้องซื้อแชาแนลอะไรให้เขาไปเขาก็จะได้แฮปปี้อย่างั้นคนที่มีธรรมะจริงๆมีคนที่ใจบุญสุนทานจริงๆเนี่ย มักจะมักน้อยสันโดษสาหรับตัวเองแต่สําหรับผู้อนะื่นแล้วมักจะสรรหาของที่ดีๆให้กับเขาค่ะค่ะคำถามสอวคุณพันธิว่าวางใจให้เป็นกลางกับศักดิ์แต่ว่ารู้อันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันอนะแต่มันจะทําได้หรือปเปล่าท่านเองถ้าวางใจเป็นกลางแบบแบบแบบคิดขึ้นมานี่มันมันทําได้เดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวหรือ บ, บางทีทําไม่ได้เลย ต้องทำจะต้องให้มันเป็นการจากการฝึกสมาธิให้เจ็ดรวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาแล้วนั่นมันจะเป็นโดยอัตโนมัติไปไม่ต้องมาเสแสร้งทำคำถามสกุลเล็กเล็กเล็รบกวนสอบถามเจ้าค่ะถ้าเราตื่นมายังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแล้วมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกทำได้เราไม่ได้เอาหน้าเอาตาไปไปให้พระดู <laughs> คำถามจากคุณบุญเลิศค่ะขณะทำงานอยู่อยู่อยู่กำหนดภาพเป็นรูปหัวใจขึ้นมาหมุนไปมาแล้วกำหนดแยกส่วนออกสักพักมีอารมณ์สลดขึ้นมาใหเรากาหนดพิจารณาอย่างไรต่อดีครับจะดูรูปที่ปรากฏหรือพิจารณาละอารมณ์ออกครับรูปหัวใจเหรอค่ะไม่รู้เหมือนกันนะรูปหัวใจดูยังไง หัวใจแบบไห น, นหัวใจแบบที่เขาว่าดแบอบ I love you อย่างนี้รึเปล่าหรือว่าหัวใจแบบอวัยวะที่หมอเขา <c oughs> เขาดูในอนา t o m y หนูอ่านแล้วเข้าใจว่านะ่าจะเป็นเหมือนอนา t o มีแล้วพอแยกส่วนออกเนี่ยก็เกิดอารมณ์สลดแล้วเขาก็เลยว่าเขาจะพิจรารณาดูรูปที่แยกออกดีหรือจะพิจรารณาละอารมณ์ที่สลดออกไปดีอคะคะออารมณ์สลดมันเกิดจากการดูรูป แสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอต้องไปฝึกสมาธิถ้ามีสมาธิใจนิง่งแล้วเวลาแยกอวัยวะจะไม่รู้สึกสลดจะรู้สึกเฉยเฉยค่ะคำถามจากคุณกุลาบค่ะวิขอโทษค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ประสงค์ออกนามการฟังเทศฟังนร ขอโทษครัการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอยู่บ่อยๆจะได้อา น, นิสงส์อย่างไรเจ้าค่ะจะได้เกิดปัญญาในระดับสุดตมยจปัญญาจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เราควรจะรู้เพื่อ น, นํำมาไปใช้ในการดับทุกข์ต่อไปถ้าหมดแล้วก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ม, นนมีคําถามนักขุดค่ะเอาคำถามสุดท้ายกลับนามาสการพระอาจารย์ช่อค่ะเดี๋ยว คืนนี้โยมจะไปนั่งในป่าช้าเจ้าค่ะทีนี้จะรบกวนถามพระอาจารย์ว่าเดื่มทีใช้คําบริกรรมต่อสู้กับความกลัวแต่ว่าคืนนี้ถ้าเกิดโยมจะเป็นการเปลี่ยนเป็นการเพ่งกระสี น, นีจ้จะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะใช้แบบไหนก็ได้ที่ทําใจให้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้า หรือจะใช้ปัญญาก็ปร่งได้ว่าอย่างมากก็แค่ตายยอมตายไปเลยอะไรจะมาก็ดับรู้กับมันไปชีวิตนี้เกิดมาแล้วต้องตายความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครก็อาจจะหายกลัวเลยก็ได้ถ้าเกิดเทนกสินเอาไม่อยู่ก็ใช้ปัญญาได้เลยใช่ถ้ากสิไม่อยู่ปัญญาจะมาไหวหรือเปล่า อาจจะกลัมาทีพุโทโธพุธโทโธอะ่างอาจจะดีกว่าท่องพุโทโธพุธโทโธพุทโธไปแล้วก็เสีนี้มันต้องใช้สติมากมจะเพ่งได้ถ้าเพ่งไม่ได้ก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธ น, นี่อนิจจังอ น, นิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงน่ะไรใก็ได้ตายตายก็ได้ทังนี้อยอมให้มันยอมตายไปอย่าไปอย่าไปล้างมันอย่าไปยื้อมันอย่าไปหวงมัน เนะขา อ, อยากจะเอาไปก็ไปถึงเวลาจะต้องตายอย็เอาตายไปถ้าปลงได้นะมันก็จะสงบทันทีโอเคนะเอาแค่ <Okay. S 1> okay, นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ <Okay. S 1> ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ